ส่วนองค์ท่านจะอยู่ในฐานะพระผู้เท่าผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่รับภาระใดๆทั้งสิ้นนอกจากการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนอกจากนี้หลวงปู่ท่านยังตั้งสัจจะว่าต่อไปนี้ท่านจะไม่รับนิมนต์ไปที่ไหนๆไม่ว่าใครจะมานิมนต์ไม่ขึ้นรถลงเรือแม้ที่สุดถึงจะเกิดการอาพาธป่วยไข้หนักเพียงใดก็ตาม จะไม่ยอมเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลถึงทาดขันจะทรงตัวอยู่ต่อไปไม่ได้ก็จะให้สิ้นไปในป่าอันเป็นที่อยู่ตามอาริยโคดอริยวงซึ่งบุรพาจารย์ท่านเคยปฏิบัติมาแล้วในการก่อน 28. อาพาธร้ายเจียนวางไวหลังจากที่หลวงปู่มาประจำอยู่ที่วัดดอยแม่ปังไม่นานนักท่านก็เริ่มอาพาธอีกครั้งหนึ่ง ท่านเกิดเป็นตุ่มขันทั่วทั้งตัวทําให้ได้รับทุกขเวทนามากจะนั่งจะนอนไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใดๆอาการของโรคดังกล่าวกาเริบอย่างรุนแรงทําให้ร่างกายของท่านซึ่งตามปกติก็ผอมอยู่แล้วกลับซุดหนักลงไปอีกเพราะฉันอาหารไม่ได้นอนไม่หลับรูปร่างของท่านในขณะนั้นจึงกล่าวได้ว่ามีแต่หนังหุ้มกระดูก ท่านพระอาจารย์หนูต้องเป็นผู้ขวนขวายในการรักษาพยาบาลอย่างสุดความสามารถซึ่งเป็นเรื่องที่ลำบากมากในสมัยนั้นเพราะวัดขาดไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเมื่ออาการของโรค ก, กำเริบมากขึ้นการรักษาพยาบาลโดยการฉีดยาฉันยาก็กมีแต่อาการผู้เรากับทรงตัวอยู่เมื่อเห็นว่าอาการของโรคมากขึ้นท่านจึงขอร้องให้ท่านพระอาจารย์หนูสร้างเตาผิงขึ้นภายในกุฏิ สำหรับอบตัวของท่านท่านพระอาจารย์นหนูจึงบอกให้ชาวบ้านช่วยกันสร้างเป็นกุฏิโรงไฟขึ้นซึ่งอยู่กับพื้นดินโดยยกเป็นพื้นสูงสำหรับทำเป็นที่นอนของหลวงปู่กุฏิดังกล่าวนี้พื้นก็ดีฟาก็ดีประตูก็ดีบางแผ่นก็เอามาจากโลวงผีที่ชาวบ้านเผาศพแล้วเอาลงมาไว้ที่วัดและใช้ไม้โลงดังกล่าวนั้นเอง จนสำเร็จเป็นกุฏิโรงไฟขึ้นหลังหนึ่งกุฏิดังกล่าวนี้ได้แก่หลังที่อยู่ใต้ต้นไทรใหญ่นั่นเองชาวบ้านทั่วไปเรียกกุฏิหลังนี้ว่ากุฏิโรงไฟแต่หลวงปู่เรียกกุฏิของท่านว่าโรงย่างกิเลสเพราะภายในกุฏิหลังนี้จะมีไฟก่อด้วยปืนลูกชนอยู่ตลอด24ชั่วโมงหลวงปู่ก็จะอยู่ภายในนั้นตลอดเวลาเช่นกัน จะออกมานอกกุฏิบ้างเฉพาะเวลาฉันอาหารเวลาส่งน้ำและเวลาเดินจงกลมเปลี่ยนอิริยาบถบ้างเท่านั้นเวลานอกนั้นท่านจะอยู่ภายในนั้นตลอดเวลาไม่ว่าแง้งฝนหนาวหลวงปู่นอนไปเช่นนี้หลายปีจึงเปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่กุฏิหลังใหม่การอาพาธด้วยโรคตุ่มคันของหลวงปู่รักษากันด้วยการย่างไฟด้วยการฉีดยา ด้วยการฉันยาบ้างอยู่หลายปีภาระเหล่านี้ตกอยู่กับท่านพระอาจารย์หนูทั้งหมดต่อมาได้แม่บูทองกิตติบุตรซึ่งเคยเป็นผู้อุปถัมภ์หลวงปู่มาก่อนได้มารับภาระในการจัดหายาและปัจจัยอย่างอื่นๆมาถวายทําให้ภาระหนักของท่านพระอาจารย์หนูผ่อนคลายลงไปบ้างต่อมาท่านผู้นี้ได้สร้างกุฏิถวายหลวงปู่หลังหนึ่ง ซึ่งหลวงปู่ก็ได้อยู่ฉลองกรัทธาตราบจนมรณภาพขณะที่การอาพาธยังไม่ดีขึ้นวันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่กองปราบโรคเรือนของกระทรวงสาธารณสุขขึ้นไปที่วัดเข้าไปกราบขึ้นรัตการหลวงปู่ท่านพระอาจารย์หนูจึงเล่าอาการอาพาธของหลวงปู่ให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นฟังก่อนจากไปเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวได้ถวายยาไว้ให้ฉันจํานวนหนึ่ง หลวงปู่ชันยานั้นแล้วรู้สึกว่าอาการของโรคผู้เล่าลงตามลำดับเมื่อยาใกล้หมดท่านพระอาจารย์หนูซึ่งสั่งให้หามาใหม่หลวงปู่ชันยานั้นไม่นานโรคจึงหายสนิทผิวหนังของท่านซึ่งขณะนั้นดูดำไปทั่วร่างกายภายหลังจากการชันยานั้นโรคหายสนิทแล้วผิวหนังก็ลอกออกเป็นแผ่นๆหมดทั้งตัวเหมือนงูลอกข้าม จึงทำให้ผิวหนังของหลวงปู่กลับดูสดใสเป็นปกติจึงเป็นอนุติ์ได้ว่าอาพาธเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดครั้งนั้นหายไปก็เพราะยาของเจ้านัานที่ชุดปราโรคเปือนนั้นโดยแท้แม้ว่าท่านจะหายจากโรคร้ายนั้นแล้วก็ดีการอยู่ในกุฏิโรงไปโดยก่อไปตลอด24ชั่วโมงท่านก็ยังอยู่เป็นปกติตลอดทั้งวันจะออกจากกุฏิก็จะเคาะเวลาชั้นอาหาร เวลาส่งน้ำเวลาเดินจงกรมเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นเวลานอกนั้นท่านอยู่ข้างในกุฏินั้นตลอดเวลาไม่เลือกฤดูกาลท่านพระอาจารย์หนูเห็นว่าเมื่อโรคหายแล้วก็ควรจะหยุดก่อไฟได้แล้วจึงไปกราบเรียนให้หลวงปู่ทราบซึ่งท่านก็อนุญาตให้เลิกก่อไฟนั้นได้ต่อมามีผู้มีศรัทธาได้สร้างกุฏิถวายอีกหลังหนึ่ง ตอนแรกๆหลวงปู่ก็ขึ้นไปอยู่ฉลองศรัทธาให้เฉพาะเวลากลางวันส่วนเวลากลางคืนท่านก็ลงมาพักจำวัดอยู่ที่กุฏิโรงไปของท่านอย่างเดิมเมื่อหายจากอาภาษดีแล้วก็มีกำลังแข็งแรงตามปกติแล้วเวลากลางวันบางวันหลวงปู่ก็จะขึ้นไปพักภาวนาอยู่ในกุฏิพอเย็นตลอดวันในฤ ด, ดูแล้ง เมื่อถึงเวลาส่งน้ำจึงลงมาจากที่พักภาวนาดังนั้นหน้าแ้งเวลากลางวันท่านเปลี่ยนกุฏิอยู่สามหลังจวบจนกระทั่งแม่บูทองคิติบุตรได้มีศรัทธาสร้างกุฏิหลังใหม่ถวายดังกล่าวมาแล้วหลวงปู่จึงได้ย้ายมาอยู่กุฏิหลังใหม่นี้เป็นการถาวรตราบจนมรณภาพหลวงปู่เล่า ว, ว่าในสมัยที่ท่านอาพาธหนักย่างไปอยู่กุฏิโรงไฟนั้น ขณะที่ท่านกำลังภาวนาอยู่ได้ปรากฏว่าบนต้นไทรใหญ่นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของพวกรุกขเทพเป็นวิมานที่อยู่ของเขาเมื่อหลวงปู่เข้าไปอยู่ในกุฏิซึ่งอยู่ภายในต้นไทรใหญ่นั้นพวกรุกขเทเทั้งหลายต้องลงมาอยู่บนพื้นดินได้รับความลําบากมากเมื่อเห็นความลําบากเกิดแก่เขาเช่นนั้นท่านจึงบอกให้เขาย้ายที่อยู่เสียใหม่ โดยบอกให้ย้ายเข้าไปอยู่ในป่าลึกเข้าไปซึ่งเขาก็ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคารพท่านเล่าว่าพวกเทพนั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นต่าหรือชั้นสูงความเคารพที่มีต่อพระนั้นมีอยู่เสมอกันเขาจะไม่ยอมล่วงคารวะธรรมเป็นอันขาดการเข้ากันออกเวลาเขามาเขาไปดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแล้วงามตาชื่นใจไม่เหมือนมนุษย์เรา ซึ่งแล้วแต่ความพอใจอยากจะแสดงอย่างไรก็ทำไปไม่คำนึงถึงความเหมาะสมความควรไม่ควรการแสดงออกของมนุษย์ไม่คำนึงถึงว่าผู้อื่นจะได้รับความเสียหายอย่างไรหรือไม่ขอให้ได้แสดงออกตามความเห็นตามความชอบใจของตนนั้นแหละเป็นการดีซึ่งบางครั้งการแสดงออกเช่นนั้นไม่ถูกการถูกเวลา แต่ก็แสดงออกมาจนได้โดยไม่มีความละอายแก่ใจบ้างเลย 29. สถานที่หลวงปู่จำพรรษานับตั้งแต่หลวงปู่แหวนได้ขึ้นไปอยู่ทางภาคเหนือแล้วท่านไม่เคยไปจำพรรษาอยู่ทางภาคอื่นเลยเพราะอากาศทางภาคเหนือเป็นสัปปะยะสำหรับท่านสรุปสถานที่จำพรรษาของหลวงปู่เท่าที่รวบรวมได้เฉพาะภาคเหนือตอนบนมีดังนี้ วัดเจดีหลวงเหนือทานน้ำแม่ห้องสอนศพแม่ธาตุบ้านต้นกอบบ้านปวกนาพ่อหนานปวนดอยน้ำมัวหรือดอยณโมห้วยน้ำรินบ้านปงทาดบ้านแม่ตลกแม่ปังที่จะบรรษาซ้ำมีดังนี้แม่ปวกหรือบ้านแม่พวกสามพรรษา วัดป่าบ้านป่องอยู่จำพรรษาสองครั้ง11พรรษาห้วยน้ำรินสิบพรรษาวัดดอยแม่ปังตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5พจนกระทั่งมรณภาพแสงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นแก่สิ่งมีชีวิตฉันใดธรรมโอวาทของท่านก็ให้ความอบอุ่นแก่มวลมนุษยชาติฉันนั้นท่านเปรียบประดุษร่มโพร่มใสที่แผ่กิ่งก้าน ร, ร่มเงา ยังความร่มเย็นแก่ผู้พักอาศัยและเสมือนสายฝนอันเย็นช่ำบริสุทธิ์ที่ช่วยชำระล้างกิเลสตัณหาความสับสนวุ่นวายทั้งหลายในดวงจิตให้สงบเยือกเย็นและหลุดพ้นจากสังสารทุกข์ทั้งมวล 30. ความศรัทธาของประชาชนศา ส, สนาเป็นเครื่องยึดเหนียวให้มวลมนุษย์ทั่วโลกเบาบางจากกิเลส พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักและเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนไทยทั้งชาติโดยเป็นทั้งศาสนาและปรัชญาเพราะเป็นคำสอนที่รวมยอดจริยคติกับสัจธรรมแห่งพระญาเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนได้สืบทอดพระพุทธศาสนามาโดยตลอดท่านได้เน้นให้เห็นความเป็นไปในสภาวธรรม ปลุกให้คนที่หลับอยู่ในกองไฟแห่งความหลงนิยมในลาบยศสรรเสริญสุขให้ตื่นนี้จากไฟที่เผาพรานอยู่นั้นสอนให้คนประพฤตินตนให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันประเสริฐให้มีความเพียรสลัดความเห็นแก่ตัวรู้จักเผชิญทุกและเห็นความทุกข์ของผู้อื่นสอนให้มนุษย์ทุกรูปทุกนามบำเพ็ญตนอย่างมีศักดิ์ศรีเมื่อยามที่มีชีวิต ก็ให้มีชีวิตอันเลิศทั้งนี้เพื่อความหลุดพ้นจนถึงนิพพานในที่สุดท่านได้ยอมสละโภกทรพซ์สมบัติในค า, ารวาสวิสัยออกถือเพศบรรบชิตจาริกทุดงฆะกรรมฐานบำเพ็ญสมณะธรรมโดยหลีกเล้นตนเองออกสู่ทางสันโดษตลอดระยะเวลายาวนานนับหลายสิบปีต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานประการทั้งภัยธรรมชาติที่โหดร้ายทารุณ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 ย่อมสแสวงหาประทีปฉันใดพระรัตนตรยัยย่อมเปรียบประดุดประทีปสองสว่างชี้ทางให้แก่ผู้ที่ปรารถนาความดีความงามฉันนั้นพระกุณเจ้าหลวงปูแหวนสุจินโนได้สืบทอดหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาโดยเคร่งครัดท่านเป็นสมณะที่จเจริญตามรอยแห่งเบื้องพระยุ ค, คลบารขององค์พระสัสดาอย่างมุ่งมั่นมอบชีวิต ถอยจิตใจเพื่อรับใช้พระศทธรรมท่านได้บำเพ็ญเพียรทางวิปัสสนากรรมฐานอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่เพื่อความหลุดพ้นจากโลกียภูมิเข้าสู่โล ก, กุตตรภูมิภูเขาศิลาที่ไม่สะเทือนด้วยแสงแดดไม่สถ้านด้วยสายลมฉันใดเชกเช่นความรักความศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อพระคุณท่านฉันนั้น วัดสัมพันธวงศ์และสิทธยานุสิทธ์ได้พร้อมใจกันบริจาคทรัพย์ร่วมก่อตั้งกองทุนมูลนิธิหลวงปู่แหวนสุจินโนเพื่อช่วยเหลือสาธารณกุศลต่างๆซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการสร้างอาคารสุจินโนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อาจกล่าวได้ว่ามูลนิธิหลวงปู่แหวนสุจินโนเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรักความศรัทธา ที่เปลี่ยมไปด้วยความผูกพันธ์อย่างลึกซึ้งอย่างคุณประโยชน์อย่างเหลือขนานับแก่ผู้ยากไร้โดยทั่วไปเป็นเกียรติคุณแด่พระคุณท่านให้สถิตสถาพรสืบไปทานทิพย์แห่งเมตตาอันบริสุทธิ์จากพระคุณท่านทำให้พุทรศสนิกระชนท่านหนึ่งคือนายแพทย์เฉลิมจันทร์สุข s u k ดำเนินการให้พิวิธภัณฑ์หุนขี้ผึ้งของมาดามทูโซ กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษปั้นรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้งเพื่อให้รูปจำลองขององค์ท่านได้เป็นที่เคารพสักการะแกะอนุชนชั่วลูกหลานสืบไปนับเป็นหุ่นขี้ผึ้งหุ่นแรกของโลกที่เป็นพระสง์ต่อมาได้มีผู้รสนิกชนิอีกท่านหนึ่งดำเนินการให้มีการสร้างมณฑบขึ้นนับเป็นสถาปัตยกรรมที่แปลกงดงามและทรงคุณค่ายิ่งภายในมณฑบ มีที่บรรจุอธิของพระคุณท่านส่วนอีกมุมหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งประชาชนจํานวนมากจากทุกภาคของประเทศและจากต่างประเทศที่ศรัทธานในหลวงปู่ต่างมุ่งตรงมานมัส ก, การท่านแม้ขณะที่ท่านมรณภาพไปแล้วประชาชนจํานวนมากก็ยังมุ่งตรงมาเพื่อเคารพศพของท่านอยู่ตลอดเวลาสาอ ของดีที่หลวงปู่ให้แก่ผู้ไปขอสาธุชนเป็นจำนวนมากที่มีศรัทธาในหลวงปู่ได้พยายามขึ้นไปจนถึงวัดดอยแม่ปังจุดประสงค์อย่างหนึ่งนอกเหนือไปจากอยากเห็นองค์จริงของหลวงปู่แล้วก็คือต้องการให้หลวงปู่เป่าหัวให้บ้างต้องการให้หลวงปู่มอบของดีเพื่อวายเป็นสิริมงคลแก่ตนอีกด้วยสิ่งที่มีผู้ขอกันมากคือ ต้นยาขี้โยจีวรไม้เท้าและแม้แต่เส้นผมของท่านจนบางครั้งท่านถึงกับพูดว่าเฮาโกนหัวแล้วเปิ้ลก็ยังเฮ้โกนแถมจะเอาผมเฮาไปสร้างพระอิหยังเฮาเจ็บหัวซึ่งหมายความว่าเราโกนหัวแล้วเขาก็จะให้โกนหัวอีกจะเอาผมไปสร้างพระอะไรอีกเราเจ็บหัว แม้แต่น้ำที่ท่านอาบก็มีผู้ประสงค์จะเอาไปเพื่อเป็นสิริมงคลท่านถึงกับพูดว่าเฮาหนาวจะตายเปลินก็จะเื่อเฮาอาบน้ำอีกแต่ถ้ามีผู้ไปขอของดีจากหลวงปู่ท่านจะถามเหมือนกันว่าของดีอะไรอะไรคือของดีของดีก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วการที่ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้พยาธนั้นก็มีของดีแล้ว การมีร่างกายแข็งแรงมีอวัยวะครบถ้วนไม่โบกพ่องวิกฤวิกาอันนี้ก็มีของดีแล้วของดีมีอยู่ในตนไม่รู้จะไปเอาของดีที่ไหนอีกสมบัติของดีจากเจ้าพ่อเจ้าแม่ให้มาก็เป็นของดีอยู่แล้วมีอยู่แล้วกันทุกคนจะไปเอาของดีที่ไหนอีกของดีก็ต้องทําให้มันเกิดมันมีขึ้นในจิตใจของตน ความดีอันใดที่ยังไม่มีก็ต้องเพียรพยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นนี่แหละของดีของดีมีอยู่แล้วในตัวของเราทุกๆคนมองให้มันเห็นหาให้มันเห็นภายในตนของตนนี่แหละจึงใช้ได้ถ้าไปมองหาแสวงหาของดีภายนอกแล้วใช้ไม่ได้ศีลธรรมนี่แหละคือของดีศีลคือการนำความผิดความชั่วออกจากกายออกจากวาจา ธรรมะก็คือความดีที่ป้องกันไม่ให้ความผิดความชั่วเกิดขึ้นในกายวาจาใจทั้งศีลทั้งธรรมก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่เราไปแยกสมมุติเรียกไปต่างหากกายวาจาใจของเรานี้เป็นที่ตั้งของธรรมเป็นที่เกิดของธรรมเป็นที่ดับของธรรมความดีก็เกิดจากที่นี่ความชั่วก็เกิดจากที่นี่สวรค์ก็เกิดจากที่นี่ นรกก็เกิดจากที่นี่เราจะรักษาศีลภาวนาให้ทานก็ต้องอาศัยกายวาจาใจนี่เป็นเหตุเราจะทำความผิดความชั่วไปนรกอเวจี G, ก็ต้องอาศัยกายวาจาใจนี่เป็นเหตุเราจะรักษาศีลทำสมาธิภาวนาให้เกิดปัญญาทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งให้เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยกายวาจาใจนี่เป็นเหตุ สาเครื่องรางของขลังและการปลุกเสกในด้านเครื่องรางของขลังและการปลุกเสกหลวงปู่ท่านพูดอยู่เสมอว่าคนเรานี้แปลกเอาของจริงคือธรรมะให้ไม่ชอบไปชอบเอาวัตถุภายนอกกันเสียหมดที่พึ่งที่ประเสริฐคือพระรัตนตรัยนั้นเป็นของประเสริฐอยู่แล้วแต่กลับไม่มีใครสนใจพากันไปสนใจแต่วัตถุภายนอก จึงอาจกล่าวได้ว่าเมื่อคนเราไม่สามารถจะเอาคุณพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งของตนได้เพราะอินทรียังอ่อนอบรมมายังไม่เข้าถึงเหตุผลจะถือเอาวัตถุภายนอกเช่นพระเหรียญซึ่งเป็นรูปเหรียญรูปแทนเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านั้นก็ดีเหมือนกันถ้าผู้นั้นรู้ความหมายของวัตถุนั้นนั้นหลวงปู่ท่านให้ข้อคิดในทางธรรมะว่าวัตถุมงคลเหล่านั้น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 ต้องทำแต่ความดีเสมอเพราะโลกเขาบูชานับถือแต่คนดีเรามีของดีอยู่กับตัวก็ต้องทำแต่ความดีอย่างนี้แล้วก็นับได้ว่าผู้นั้นได้ประโยชน์จากวัตถุมงคล น, นั้นๆเมื่อเวลาลูกศิษย์มีความสงสัยว่าพระก็ดีเหรียญก็ดีที่หลวงปู่ทำพิธีแพ้เมตตาให้มีคนนิยมกันว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หลวงปู่เสกด้วยคาถาอะไร หลวงปูต่ตอบคำถามเช่นนี้ว่าที่กล่าวว่าแผ่เมตตาวัตถุมงคล น, นั้นท่านไม่เคยปลุกเสกพระอะไรเลยเคยแต่สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเท่านั้นแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้ที่นับถือกราบไหว้บูชาจะอธิษฐานเพียงเท่านี้ไม่มีคาถาสําหรับเสกให้ขลังอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรท่านใช้บทต่อไปนี้คือติรัตนนมการาคาถา โยสันนนิสินโนวราโพธิมูลเเลเป็นต้นตัสสานุภาเวนะหตันตรายโยบางทีหลวงปู่ใช้บทว่าพุทโธโยสัพพะปานินังสระณังเขมมุตตมังธัมโมโยสัพพปานินังสระณังเขมมุตตมังสังโฆโยสัพพปานินังสระณังเขมมุตตมังอิติปิโสภควา จนถึงพุทโธพระวาติสวขาโตพระขวตาธมโมจนถึงปัจจตังเวทิตโพโภวินยูหีติสุปฏิปันโนพระขวโตวสาวกสังโคจนถึงปุญญเขตังโลกัสสาติคาถาสวดนมัส ก, การคุณพระรัตนตรัยเหล่านี้คือบทที่หลวงปู่ท่านใช้สวดเวลามีพิธีแผ่เมตตาเกี่ยวกับการปลุกเสกเช่นพุทธาพิเศก ซึ่งปัจจุบันทํากันโดยทั่วไปทั้งเป็นการราดทั้งเป็นการหลวงเกี่ยวกับเรื่องนี้หลวงปู่ท่านให้ทัสนะว่าถ้าเข้าใจวิธีพุทธาพิเศกไปปลุกไปเสกวัตถุต่างๆที่สร้างขึ้นสําหรับเป็นเครื่องหมายแทนองค์ของพระพุทธเจ้านั้นการเข้าใจเช่นนั้นนับว่าถูกต้องตามความเป็นจริงโดยท่านให้เหตุผลว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระตั้งแต่เรายังไม่เกิด ท่านเป็นพระพุทธมาก่อนพวกเราหลายร้อยหลายพันปีแล้วถ้าใครไปปลุกเสกวัตถุให้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนับว่าผิดเราเองเป็นเพียงสาวกจะไปทําวัตถุซึ่งเขาสร้างเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าให้เป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรวัตถุที่เขาสร้างขึ้นนั้นสําเร็จเป็นพระแล้วโดยสมบูรณ์ตั้งแต่เขาสร้างเสร็จเพราะเป็นที่ทราบกันอยู่ดีแล้วว่าเป็นรูปเหรียญรูปแทนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นวัตถุนั้นนั้นจึงเป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่เขาสร้างเสร็จจะไปปลูกใบเสกให้เป็นพระอีกไม่ได้หลวงปู่ท่านเรียกพระพุทธรูปว่าพระบรมรูปท่านกล่าวว่าพระบรมรูปของพระพุทธเจ้านั้นแม้จะทำเสร็จขึ้นจากวัตถุใดๆท่านก็สำเร็จเป็นพุทธะในความหมายแล้วอย่างสมบูรณ์เพราะวัตถุนั้นเขาสมมติเป็นสนัญลักษณ์แทนองค์ของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นเพียงวัตถุ เราก็ควรกราบไหว้บูชาได้ด้วยความสนิทใจไม่มีวิชาคาถาอาคมใดๆที่จะมาปลุกเสกพระพุทธเจ้าได้เพราะสำเร็จเป็นพุทธะตามความหมายที่เราได้สร้างขึ้นแล้วที่เรียกกันว่าพุทธาพิเศษนั้นควรจะเรียกว่าพิธีสมโพธิพระหรือพิธีนมัมสการพระจึงจะถูกต้องตามความเป็นจริงดังกล่าวมาแล้วสำหรับการทาน้ำมนต์ก็ดีท่านมักใช้บทมงคลจักรวาล น, น้อย สมัยก่อนผู้คนยังไม่รู้จักท่านมากเหมือนปัจจุบันเวลาชาวบ้านเอาน้ำไปถวายขอให้ท่านเสกให้เช่นเขาจะบอกว่าคนนั้นคนนี้จะคลอดหรือคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้หลวงปู่เสกน้ำมนต์ให้ด้วยบางทีท่านนึกสนุกขึ้นมาท่านก็จะพูดว่าเออเวลาอย่างนั้นเขาก็ไม่บอกเราเวลาจะคลอดจึงมาบอกเราทำให้ลาบากพระเจ้าพระสงฆ์ แทนที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเวลาท่านเสกน้ำมนต์ท่านก็จะเสกดังๆว่าสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังขานุภาเวนะเป็นต้นสเพเตโรคาสเพเตพยาจนถึงวินาสันตุสทาโสตีพระวันตุเตเอาหายโรคหายภายัยอายุมั่นขวัญยืนนี่คือคาถาคลังของหลวงปู่